ในทุกวันนั้นเรามาพูดคุยเรื่องราวที่เป็นธรรมในคําสอนของบุรุษเจ้าคุยคุยแล้วรู้รล้วฟังได้จําได้เข้าใจดีเสร็จแล้วก็ทําให้ได้เพื่อความเป็นอย่างนั้นควตาตมะเข้าสู่จิตใจของเราทรําเชียงเราให้ดีให้งามให้สูงส่งขึ้นมาได้ในขณะที่เรารู้ธรรมะปฏิบัติธรรมะเนี่ยความเข้าใจมันก็จะค่อยมีความลึกซึ้งมากยิ่ง่งขึ้นไปเราฟังซ้ำฟังย้ํา ปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเวลาเราฟังซ้ําฟังย้ํามีการปฏิบัติอยู่เรื่อยๆเนี่ยไอ้ความที่มันไม่คล่องมันก็จะค่อยคล่องขึ้นมาในตอนแรกที่เราทําไม่คล่องอย่าพึ่งท้อใจอย่าพึ่งหมดกําลังใจว่าโอ้ยทำไมฉันทําไม่ได้อย่าเบื่ออย่าบน่นไอ้การเบื่อการบน่นมันแสดงถึงความอ่อนแอความต่อแท้ความต่อต่อยอย่าทําอย่างนั้นแต่เป็นผู้ที่มีความเพียรมีความบากบันไม่ทอดทุระในกุศลรธรรมทั้งหลาย นะความเพียรความบังบันที่เราใส่ลงไปทำให้มันมากขึ้นดีขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะทำจิตใจของเราให้สูงส่งนะเราสามารถที่จะทรงทํานั้นไว้ได้สามารถที่จะเรียกว่าปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้พอเราปฏิบัติเพื่อความเป็นอย่างนั้นได้ทำดีแล้วจิตใจเราที่เป็นอย่างเนี้ยมันจะผ่านออมาทางกายผานออกมาทางวาจานะคือใจเป็นอย่างนี้ตัวก็ออกมาเป็นอย่างนี้ด้วย แล้วพอตัวเราเป็นอย่างนี้ใจเราเป็นอย่างนี้คนอื่นก็ได้ผลกระทบด้วยนะกระทบในที่นี้ก็คือได้รับความเมตตาได้รับความไม่เบียดเบียนได้รับความรักใคร่เอ็นดูได้รับความอดทนจากเราแล้วเราได้รับการกระทบได้รับธรรมะสิ่งที่เป็นดีๆงามๆอย่างที่แล้วเราก็แบ่งปันกันทําใจของเราให้ดีขึ้นทำอย่างนี้เรียกว่าเป็นธรรมะที่ไม่เป็นงูพิษแต่ว่ามไม่เป็นงูพิษนั้นก็คือเราปฏิบัติได้เพื่อความเป็นอย่างนั้น เข้าใจดีเข้าใจดุเข้าใจได้และในการที่เราจะทําอย่างนี้ได้เราก็ทําความเข้าใจนั่นแหละเรียกว่าการทําโยนิโสมณัิสิการการทําโยนิโสมนัตสิการคือการใคร่ครวญตามหลักของอริยสัจสเหตุเป็นยังไงผลเป็นยังไงจะแก้ปัญหาต่างๆยังไงเราก็ไคร่วนพิจารณาให้เห็นมันเป็นไปเพื่อความหน่ายความคลายกําหนัดความดับความระงับความรู้ยิ่งความรู้พร้อมและนิพานการที่เราทําอย่างนั้นเชื่อว่าเราใคร่ครวน ตามในย่าของฤาษีเป็นการโยนิโมสมนริการแต่โยนิโมสมนรจิการอย่างดีคิดใรกล้คุรุนทำ ใ, ใจอย่างดีแต่ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นก็คือมันจะไม่เป็นกุพิษแต่มันจะเป็นประโยชน์ก็จะมาคุยเรื่องของประหยัดที่ไม่เป็นกุพิษคือข้อมูลใดๆที่เป็นข้อข้อหมวดหมวดต่างๆจะมารวบรวมกันทำความเข้าใจให้จแจ่มแจ้งมากขึ้นในลักษณะที่จะให้เกิดประโยชน์ได้แต่สืบเนื่องจากในช่วง 2ปีที่ผ่านมาแล้วก็พระเจ้าก็ได้มีโอกาสแสดงธรรมะที่เป็นภาษาอังกฤษสองภาษาบ้างอ่านพุทธพจน์ให้ฟังบ้างในทาง FM88 แปดในตั้งแต่เวลา6กโมงในหลังข่าวภาคเช้าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะได้มีโอกาสได้ฟังนรวมถึงวันอาทิตย์ด้วยตอน8ปดโมงเช้าก็เีวรายการซันเดย์ธรรมะทอคทีนี้ก็มีท่านผู้ฟังที่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็มีโอกาสได้ฟัง เราก็ได้มาพูดปากพูดคุยในเรื่องราวที่เป็นธรรมะกันแต่มีอยู่ข้อหนึ่งที่คิดว่าสะกิจใจข้าพเจ้าคือได้มาฟังท่านนี้ที่เป็นชาวต่างประเทศเนี่ยเขาจะแต่งงานและเพื่อผู้หญิงที่เขาจะแต่งงานด้วยเนี่ยข้าพเจ้าก็รู้จักแล้่ก็มาถามน่ะแหละว่าโอ้ผู้หญิงคนนี้ดีไหมอะไรต่างไงืสําหรับพระสงฆ์เนี่ยธรรฝังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงมากแล้วเลยจะเอาเรื่องนี้มาเล่าให้ทรรฝังฟังนะว่าสําหรับพระสงฆ์เนี่ยมีศีลอยู่หลายระดับ เรียกว่าสีนที่สคอยป้องกันการประพฤติพรหมจรรย์ให้มันบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงแต่สําหรับเรื่องของประสงค์เนี่ยกับการชีวิตคนคู่เนี่ยแหมมันเป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันนะเช่นว่าถ้าเขาแต่งงานกันอยู่แล้วแล้วเราจะไปพูดให้เขาเลิกกันเนี่ยก็เป็นความผิดแต่เป็นความผิดช น, ใ น, ในดิดที่เรียกว่าเป็นปาจิตตีแต่ถ้าจะแนะนําว่าเออคนนี้ดีหรือคนนี้ไม่ดีเออคนนี้ดีแต่งเลยเอา่านี่ก็จะเป็นอาบัตหนักด้วยเป็นอาบัติสังการทิเศษ แต่ซึ่งเรื่องนี้พระชา้าก็ห้ามเอาไว้อย่าเป็นเป็นพ่อสื่อแม่ชักให้คนเขาแต่งงานกันแต่นี้ถ้าเขายังไม่ได้แต่งงานกันแต่ถ้าเราพูดให้เขาไม่แต่งงานกันอย่างเงี้ยแหมคนมันชุ่มอยู่ด้วยกามและมีจิตใจที่จะแต่งงานกันแล้วเราจะไปห้ามเขาอย่างเงี้ยหมูจะหามเอาคานเข้าไปสอดก็ถูกเขาเกลียดตัวเองแต่สำหรับพระสงฆ์ก็มีแต่เสียกับเสียในเรื่องพวกนี้คือถ้าจะแนะนําก็ว่าให้อยู่เป็นโสดดีกว่าวก็เขาจะแต่งงานกันแล้วเราไปพูดอย่างนั้นก็จะถูกเขาเกลียดได้ ในสิ่งที่ประสงค์พูดได้ในเรื่องนี้ก็คือว่าหลักธรรมต้นหนึงองหลักธรรมยังไงที่จะทําให้ชีวิตคู่มีความสุขได้เราได้เคยพูดถึงเรื่องของการเลือกคู่ไปแล้วนต่ว่าถ้าคุณจะลงเอยห่อหม ก, กับคนนี้คุณจะพิจารณาดูเขาอย่างไรเราใช้คุณธรรมที่ว่าศีลสตาจาระปัญญาแต่สี่อย่างนี้ต้องเสมอกัน ถ, ถึงจะเรียกว่าไปรอดกันได้ ศรัทธาใ น, นคือความศรัทธาในคําสอนของพระพุทธเจ้าคำสอนของพุท ธ, ธะในที่เป็นไปเพื่อความรู้ยิ่งรู้ปรามนิพพานเพราะฉะนั้นในศรัทธาตรงนี้คือศรัทธาในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาในเรื่องคําสอนศรัทธาในเรื่องของธรรมะหังที่2คือเรื่องของศีลส่วนเรื่องจากข้านั้นก็หมายถึงการให้การบริจาคการให้การบริจาค ก, ก็คือว่ามีจิตใจที่ไม่ตะณีเป็นผู้ที่สมควรขอได้ยินดีในการจะนั่งแจกทานอันนี้คือจากขะ ส่วนเรื่องของปัญญาเนี่ยก็หมายถึงปัญญาในการที่จะเห็นความเกิดขึ้นและความตั้งอยู่ไม่ได้ของสิ่งต่างๆอันนี้ก็หมายถึ ง, งเรื่องของการปล่อยวางเราดูคนก่อนที่เราจะแต่งงานเนี่ยดูที่สตาศ์ีนจากกะปัญญาใน ต, ตรงนี้เราได้เคยพูดไปแล้วแต่เนื้อหาที่พระพุทเจ้าจะพูดในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการที่เมื่อแต่งงานไปแล้วเนี่ยจะต้องมีการปรับตัวปรับชีวิตของเราอย่างไรนะคือจะแต่งก็แน่ละ่ะจะให้บอกว่าไม่แต่งก็คงจะพูดไม่ได้ฟังแล้วมันไม่รื่นหู นะจะจะบอกว่าแต่งเลยดีแตนะ่ก็ไม่ได้แล้วก็ผิดอาบัตแต่กนะ็จะบอกเป็นหลักธรรมได้แค่ว่าถ้าแต่งแล้วนะทั้งฝ่ายสามีและฝ่ายภรรยานี่ยจะต้องมีการปรับตัวนะปรับตัวอย่างไรจะให้ชีวิตคู่เนี่ยรอดพ้นะจากเรื่องที่มันจะมันเป็นเครื่องข้องหมองใจหนะทุกคนนะก็คิดว่าออมีชีวิตคู่แล้วมันจะดีขึ้นแตนะ่มันมองไกลๆเหมือนพยัตแดดแต่ว่าไม่รู้พอเข้าไปใกล้แล้วมันจะเป็นยังไงเอางั้นมีวิธีที่ว่าถ้าเมื่อเรา แต่งงานไปแล้วเดี๋ยวจะลงเอยกันแล้วเนี่ยเดี่ยวจะต้องปรับตัวอย่างไรต้องคุณคิดไว้ก่อนหรือเปล่าเดีพระพุทธเจ้าได้เคยให้วิธีการนี้เอาไว้เดี๋พูดถึงเรื่องของหน้าที่ระหว่างภรรยายกับสามีคือตอนที่ยังไม่แต่งงานก็คือยังไม่มีความเป็นภรรยายและสามีใช่ไหมเพราะฉะนั้นหน้าที่พวกนี้จะยังไม่เกิดเพราะฉะนั้นก่อนที่หน้าที่พวกนี้จะเกิดคุณเตรียมรับมือพวกนี้ก่อนได้หรือไม่แต่อย่างเรื่องของที่พูดไปเมื่อกุศลมรสรู่คุณจะทำสีอย่างานาาญญงงงั่ศรัทธาศีลจาระ แลคุณจะเป็นโสดคุณก็ต้องมีคุณจะแต่งงานคุณจะต้องมีคุณหยาไปแล้วคุณก็จะต้องมีนะสัทญาศีลจากค้พาพญานะถ้ามีเสมอกัรเนีนะ่ยก็จะไปรอดก็ค่อยปรับเอาบางทีศรัทธาจากรกะไม่เท่ากันแตนะ่บางทีผัวจะให้มากเมียจะให้น้อยต่างกันมันก็จะเป็นเรื่องราวของแรงได้อันนี้เราก็ค่อยปรับเอาแต่ว่าต้องมีนะนี่คือคุณจะทำสี่ข้อแต่สําหรับถ้าปอกว่าแต่งงานแล้วมาเป็นสามีภรรยากันนะี่ยมันจะต้องมีหน้าที่เพิ่มขึ้นมาอีก โดยความที่มีสถานะใหม่นั่นคือด้วยความที่ฉันมีสถานะเป็นสามีแล้วนะโดยความที่ฉันมีสถานนะเป็นภรรยาแล้วนะวนนนะ แ, วนะแต่ซึ่งหน้าที่ที่เพิ่มขึ้นมาตรงนี้แหละที่เราจะต้องมองดูว่าอ้าถ้าฉันแต่งงานไปเนี่ยคุณต้องทําหน้าที่เหล่านี้นะถ้าฉันเป็นสามีฉันต้องทําหน้าที่เหล่านี้นะแต่หน้าที่ต่งตางๆเหล่านั้นคืออะไรเอาหน้าที่ของภรรยาก่อนนุนภรรยาจากอยู่บ้านกับมารดาใช่ไหมอยู่กับพ่ออยู่กับแม่ แตอี้คุณจะต้องไปอยู่บ้านสามีละ่ะส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นนะจะมีแม่ของสามีอยู่ด้วยก็เรียกว่าแม่ปัวอยู่ด้วยและจะเป็นบ้านแยกต่างหากแต่ตั้งครอบครัวใหม่ขึ้นมามีบ้านหลังใหม่ขึ้นมาอยูแ่แค่สองคนก็ได้ทั้งนั้นแหละแต่ยังไงคุณก็ต้องไปอยู่กับสามียังไงสถานะมันจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงเราไม่ใช่ลูกของแม่อีกต่อไปแล้วเราเป็นภรรยาของสามีาเป็นภรรยาสามีการต้องมีหน้าที่ของภรรยา นั้นอันแรกก็คือว่าต้องเป็นผู้ที่จัดแจงการงานอย่างดีแต่กนะ็บ้าจัดแจงการงานอย่างดีเนี่ยโอ้มันกินความกว้างในตะึังไหนะมันตั้งแต่สากระเรียนเรือรบอะผู้หญิงนะผู้หญิงตอนอยู่บ้านเองไหนะแม่ของคุณนะ่ยจัดแจงอะไรต่างๆให้ไหนะดูแลอาหารการกินอะถ้าตัวเองไม่ได้ทําเองก็จัดแจงคนใช้คนงานมาช่วยจัดการแต่ถ้าตัวเองแต่งไปแล้วอันนี้คือสิ่งที่เธอจะต้องทําหนะคือคนที่เป็นภรยาเนี่ย จะต้องทำหน้าที่กัเรียกว่าจัดแจงการงานอย่างดีนงานต้องให้ขาดไม่ได claro> well, okay, okay. ้แต่ถ้าตัวเองทําเองไม่ไหวต้องเรียกคนมาช่วยในการเรียกคนมาช่วยต้องมีค่าใช้จ่ายหรือเปล่าแต่ถ้ามีค่าใช้จ่ายก็ต้องหามาแล้วก็ต้องมีการจัดแจงการงานอย่างดีอย่าให้มันขาดตกบกกรงในเรื่องครัวเรือนบ้างในเรื่องการงานบ้างเรื่องการกินการอยู่การใช้ปัจจัยสี่อาหารยารักษาโรคพวกนี้ต้องอย่าให้ขาดต้องมีการจัดแจงการงานอย่างดีถ้าเผือว่า คุณไม่พร้อมที่ทําหน้าที่นี้ก็ต้องเตือนว่ามันจะเสียหายเนี่ยจะมีความเสียหายมันจะเป็นภยันนยนนกันเนี่ยสามีภรรยานองข้างๆกันเนี่ยคนหนึ่งก็จะเป็นภัยกับอีกคนหนึ่งแต่ว่าทําหน้าที่ไม่ดีแต่ก็ที่2องนั่นคือการสงเคราะห์คนข้างเกี่ยงอย่างที่3คือการไม่ประพฤตินอกใจอย่างที่4คือการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่และอย่างที่หคือการขยันกันแข็งในการงานทั้งปวงเอามาทําความเข้าใจ ต, ติดกอดทุกฝัง แลก็ได้ที่เราได้พูดไปเนืสกครู่นี่คือการจัดแจงการงานอย่างดีเราพร้อมที่ทําหน้าที่นี่ไหมนี่คือสำหรับปรรยาในอย่างที่2คือการสงเคราะห์คนข้างเคียงอย่างดีแต่สามีก็ต้องมีญาติของสามีจะเป็นพี่ชายบ้างน้องชายบ้างพี่สาวน้องสาวแม่ผัวพ่อผัวญาติของเขาเนี่ยเราต้องรู้จักให้หมดแล้วเราจะต้องทําหน้าที่ต่างๆสงเคราะห์ให้เหมาะสมแต่สงเคราะห์ในที่นี้สงเคราะห์ด้วยปัจจัย4ี่ก็ได้ นะไม่ถึงกันให้ทานไปในไมาไหนก็ซื้อของมาฝากบุคคลเหล่านั้นบ้างนะหรือว่าสงเคราะห์ด้วยการพูดวาจาที่อ่อนหวานนะการก็เรียกวิญญาวาจานะคือถ้าแบบว่าญาติเขามาเราพูดไม่รู้เรื่องแบบไม่คุ้นเคยกันหนีไม่พูดไม่ได้แตนะ่ต้องมีการสงเคราะห์ตรงนี้พร้อมหรือเปล่าที่สำนาทีนี้นอกจากนี้การสงเคราะห์ด้วยทานการสงเคราะห์ด้วยวิญญาวาจานะการสงเคราะห์ด้วยการประพฤติตนเสมอการด้วยก็มีันะ่หน้าที่ของเราคืออะไร ประพฤติต่อให้ถูกต้องในการต้อนรับบ้างในการที่จะเลี้ยงดูคนที่มาเยือนเอาเป็นญาติการบางทีก็ต้องมีอะไรแบ่งปันให้ก็กต้องสงเคราะห์ไปตรงนี้ก็เรื่องของสังกัวัตถุสีก็มีอยู่แล้วนะนันบถัดมา ค, คือเรื่องของการไม่ประพฤตินอกใจอันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องเฉพาะชู้สาวแต่ยังรวมถึงกิจกรรมของคนคู่อื่นๆน่ะเช่นว่าไปกินข้าว2ต่อ2ก็อีกฝ่ายหนึ่งแต่ฝ่ายไหนไม่รู้เป็นกิก๊กเป็นมือที่3านายอย่าทำ หรือว่าการชายตามมองคนนั้นจะเป็นผู้ชายก็ตามผู้หญิงก็ตามใ น, นการเปิดโอกาสให้ต่างๆเหล่านี้ในความสัมพันธ์เนี่ยถ้ายิ่งเก็บไว้เนี่ยมันยิ่งเจริญนะระหว่างชายหญิงที่เป็นเรื่องลึกนับเป็นระหว่างกี้กอะไรพวกนี้แต่ไม่ใช่เฉพาะแค่เรื่องชู้สาวแต่ยังรวมถึงกิจกรรมอื่นๆที่มันจะพาไปสู่ทำนองนั้นอันนี้ให้เลิกไปเลยอันนี้คิดว่าก็ชัดเจนอยู่แล้วนะคงจะมีความเข้าใจกันพอสมควรในเรื่องที่4ี่้นที่ของภรรยาเนี่ยที่คุณจะต้องทราบละ ว่าถ้าฉันแต่งไปเป็นภรยาเนี่ยต้องมีหน้าที่ที่4นั้นคือการตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่เนี่ยต้องเก็บเงินแล้วจะมามัวไปเที่ยวไปกินไปเล่นเหมือนตอนที่เป็นโสดไม่ได้เนี่ยต้องรู้จักตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่เพราะว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเนีนคือแน่นอนแหละคนที่แต่งงานไปก็อาจจะมีลูกมีบุตรเกิดขึ้นเนี่นถ้ามีทายาทสืบสกุล ค, ค่าใช้จ่ายก็ต้องสูงก็ต้องมีการเก็บสะสมทรัพย์ตรงนี้ไว้นี่ยตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่อย่าใช้จ่ายซุ เรื่องอใบยมุกนี่คุณต้องปิดเลยนะอย่าไปเที่ยวอย่าไปกินอย่าไปเล่นให้มันมากนั่นะรู้จักที่จะเก็บซัพย์เอาไว้นะั่ตามรักษาทรัพย์ที่มีอยู่พร้อมหรือเปล่าที่จะทํำนาทีนี้นี่คือหน้าที่ของปริญญานะขนัดมากคือการขยันกันแข่งในการงานทั้งปวงจะมา น, นอนตื่นสายโด่งไม่ได้นั่นะต้องมีความขยันกันแข่งข้อนี้แตกต่างจากการจัดแจงการงานอย่างดีตรงที่ว่าเรื่องของจํานวนงานนั่นะที่คุณจะต้องทราบจะต้องทำเนี่ยคือเรื่องของการจัดแจงการงานอย่างดีแล้วในแต่ละงาน จะต้องมีความขยันกันแข็งนั่นคือข้อที่5ตรงนี้งานที่คุณทําแต่ละงานหน้าที่ที่คุณทาแต่ละหน้าที่จะต้องทําอย่างขยันกันแข็งมันมีเยอะแยะเรื่องของคนคู่ท่านผู้ฟังนั่นเพราะว่าถ้ามันแค่2คนมันก็จบไปแต่ว่าถ้าจะแต่งงานกันเนี่ยมันเรื่องของคน2ครอบครัวถ้าเป็นเรื่องของคน2ครอบครัวในปัญหาก็จะตามมาเยอะแยะแต่จะว่าเป็นปัญหามันก็อยู่ที่ว่าผู้มองอนะว่ามองอย่างไร ถ้ามอในลักษณะที่เป็นความท้าทายเป็นหน้าที่ทำนะก็ทําอย่างดีซะทําอย่างขยันขันแข็งซะนรู้จักสงเคราะห์คนข้างเกียงอันนี้เป็นหน้าที่ของภรรยาที่ต้องทําต่อสามีเมื่อกุณแต่งงานกันแล้วตอนยังไม่แต่งไม่ได้มีพวกหน้าที่พวกนี้นะแต่ถ้าจะแต่งมันจะมีหน้าที่พวกนี้พร้อมหรือเปล่าที่จะทำนะลองพิจารณาดูอย่าให้มีแต่เรื่องของการแต่งแต่งแต่งนะมาบังตาบังหน้าหนะ้าตาบอด และลืมนึกไปว่าฉันจะต้องทำหน้าที่พวกนี้แต่สามีก็เหมือนกันคนที่เป็นผู้ชายคุณจะเป็นสามีเขาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่มีคู่ครองแต่เรื่องของหน้าที่ที่ตัวเองจะต้องทาแต่ไม่ใช่ว่ามีเมียแล้วมีภรรยาแล้วโอเคสบายแล้วจบแล้วชีวิตนี้ฉันน่าจะดีแล้วเขาทำหน้าที่พอจบตัวเองก็ต้องมีหน้าที่เหมือนกันผู้ชายพร้อมหรือว่าที่จะทำอันดับแรกเลยต้องเลิกเจ้าชู้นด้วยการที่ไม่ประพฤตินอกใจ อันนี้คือข้อที่3นะที่พี่เจ้ายกขึ้นมาแต่ครับเจ้านี่เอามาเป็นข้อที่1เลยแต่เพราะว่าอันนี้ต้องพูดก่อนเดีย๋ยต้องเลิกเจ้าชู้เลิกการประพฤตินอกใจคุณจะแต่งงานแล้วคือจบอย่าไปทําไม่ดีแม้แต่จะคิดว่าจะประพฤติปดในการมก็อย่าคิดคิดไม่ได้เลยเดีน๋ยะเพราะว่าถ้าคิดแล้วใงใจคิดเนี่ยเดี๋ยววาจามันกลับไปเดี๋ยวการมันก็ไปอันนี้คือต้องจบเลยถ้าคุณคิดว่าจะตกล่องปล่องชิน้นเจะกินห่อหมก ok ลงดองกันแล้วเนี่ยอันนี้ต้องเลิกแต่ความเจ้าชู้ต้องเลิก อภยมุกต์ต่างๆต้องเลิกนะการที่มีเพื่อนชั่วต้องเลิกการที่จะต้อง เ, อเป็นนักเลงสุรานักเลงเจ้าชู้ต้องเลิกนะการพนันเลิกในะสิ่งต่างๆนี้ต้องเลิกอะไรที่มันจะไม่ดีเลิกนะเพราะว่ามันจะไปไม่รอดในะเรื่องของศีลนะสคัญเรื่องของศีลสตาศีลจากค้าปัญญาเราต้องมีตลอดแต่ถ้าว่าเราไม่มีเดนะต้องปรับให้เสมอกันถ้าไม่เสมอกันมันอยู่ไม่ได้นะปีหนึ่งไป2ปีไป มันก็จะเริ่มร้าวทีละนิดละนิดละ่ะแเริ่มจากการมีปากเสียงบ้างต่อไปก็กลับบ้านบ้างไม่กลับบ้านบ้างนะเป็นนานปีเขาก็มีปัญหากันไปนะก็แยกกันไปแต่เรากําลังจะพูดถึงประเด็นที่ว่าจะรักษาอย่างไงให้มันตลอดรอดฝังนะให้ถือเรียกว่าถือไม้เทา้ายอดทอนตะบองยอดเพชรกันเลยเนะืนะ้อหน้าที่ของสามนะีนอกจากเรื่องของการไม่ประพฤตินอกใจแล้วเอ่างที่2อย่างที่3คือการยกย่องและการไม่ดูหมิน่น ่ปากเนี่ยให้มันหวานหน่อยผู้ชายเนะี่ยอย่าแบบว่าเป็นทื่อๆซื่อๆบื้อๆไม่ได้แตนะ่ต้องรู้จักการที่ยกย่องยกย่องเนี่ยหมายความว่าถ้าเขาทาอะไรดีๆมาเนี่ยก็ต้องยกย่องกับบ้างในทำอาหารเนี่ยแม้มันอาจจะไม่ได้อร่อยเลอะเลิศอลังการแต่มันอร่อยอยู่บ้างนิดนึงหน่อก็ยกย่องตรงนั้นนิดนึงหน่อยตนั้นเหนือยพูดไปดีอันที่สามที่มาด้วยกันคือการไม่ดูหมิน่นอย่าไปดูหมิ่นอะไรที่มันไม่ดี ก็อย่าไปดูหมิน่นว่าโอ้ยนี่ย่ยอย่างนี้ให้ให้อุดปากไว้เงียบไว้นะคือให้รู้จักพูดคำว่าวคำจาเนี่ยให้มันหวานหน่อยให้มีการยกย่องกขาหน่อยคือหวานหน่อยในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงพูดโกหกนะแต่พูดยกย่องนะอะไรดีเรายกย่องอะไรไม่ดีเราอย่าไปบน่นอย่าไปว่านะอย่าไปดูหมิน่นเพราะว่าคนที่เป็นผู้ชายเนี่ยพูดอะไรไปบางทีมันพูดขวานฝาซากแต่ถ้าพูดขวานผ่าซากมากมันจะอยู่กันไม่รอดปรับตัวได้ไหมนิสัยงี้เลิกได้หรือเปล่า ถ้าคิว่าจะแต่งงานต้องเลิกถ้าคิดว่าจะอยู่กันให้มันรอดต้องเลิกขวานป่าชา พ, พวกนี้แต่ให้รู้จักในการพูดยกย่องให้รู้จักในการที่จะไม่พูดจาดูหมิน่นนะเพราะว่าผู้หญิงบางทีก็ เ, เปลี่ยนแปลงไปนะมีลูกคนหนึ่งแล้วแม่หุน่นเฮ่นอะมันก็เปลี่ยนไปหนะ้าตามันก็ไม่เหมือนตอนที่เข้าพิธีแต่งงานนะเอ่อตื่นเช้ามานี่ก็เอา้าทำไมไม่เห็นเหมือนในรูปถ่ายมันคนละคนกันนะคนละแบบกันไม่ได้แต่งหน้าก็อย่าดูหมิน่นนะปากทำให้เงียบหน่อย เขาทําอะไรดีนิดหน่อย เ, อเรายกย่องชื่นชมเา้าแต่ทําผมทรงใหม่มาอาจจะไม่ได้ดูดีขนาดดาราฮอลลีวูดแต่ว่าก็ผู้ชมซะหน่อยนะเขาอายุมากขึ้นอ้วนขึ้นนะเขาอย่าไปดูหมิ่นว่าอ้วนขึ้นแต่ก็พูดตํานองว่าเออภูมิฐานขึ้นก็ว่าไปอย่างนั้นแล้วนะก็ไม่ได้โกหกแต่ว่าให้มีการยกย่องอย่าไปดูหมิน่นเขาส่วนข้อที่4ี่ก็มอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ เนี่ยก็ว่ามอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้เนี่ยก็คือหมายถึงช่วยกันแบ่งกันความรับผิดชอบกันนะแบ่งความรับผิดชอบไปแล้วให้เขาทําไปแล้วอย่าไปแบบจุกจิกวุ่นวี่วุ่นวายนะมอบไปแล้วคือมอบไปแล้วให้นะความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้นะตรงไหนให้ทําได้ก็ให้ทําแบ่งหน้าที่กันไปการแบ่งหน้าที่การทําตรงนี้เนี่ยก็ช่วยเหลือกันจะ่เป็นการเกื้อกูลกันอาจจะผิดพลาดบ้างอะไรบ้างเร า, เราก็อย่าดูหมิ่นแล้วก็อดทนเอา่เพราะไหนมอบไปแล้ว มนันจะผิดบ้างถูกบ้างก็ช่วยกันแก้ช่วยกันดำไปในส่วนข้อที่5นั้นน่นก็คือการให้เครื่องประดับผู้ชายต้องเตรียมการเอไาไว้คือถ้าคุณคิดว่าคุณจะซื้อแหวนแต่งงานวงเดียวแล้วก็จบเนี่ยคุณอย่าแต่งเลยเนีเพราะว่ามันจะต้องมีแหละข้อที่5ตรงนี้ด้วยการซื้อเครื่องประดับให้เด น, นต้องมีอาจจะไม่ได้ซื้อทุกปีอาจจะไม่ได้ต้องแพงอะไรกันมากมายแต่ว่าต้องมีต้องมีต้องมีเงินให้ต้องมีเครื่องประดับให้ อันนี้ต้องแบ่งต้องจ่ายต้องทำงบประมาณเอาไว้ให้คิดเลยล่ะว่าอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องทําแต่ถ้าเรารู้ว่านี่คือหน้าที่ที่ฉันจะต้องทําทั้งฝ่ายสามีทั้งฝ่ายภรรยารู้แล้วพิจารณาตัวเองดูถ้าคนที่แต่งงานเนี่ยตัวเองจะทําได้ไหมศีลศรัทธาจาระัญญาอันนี้ต้องมีนะยังไงก็ต้องมีล็อกไว้เลยแล้วส่วนสามีก็ต้องรู้ด้วยนะว่าตัองต้องซื้อเครื่องประดับไม่ใช่แค่วงนี้วงเดียวแต่ต่าไปต่อไปต้องมีอีก ก็ต้องรู้ได้นะว่าปากนี้ก็จะต้องอยากขวานผ่าซากมากนาให้รู้จักยกย่องเขาบ้างนาในเรื่องความคิดที่จะเป็นนักเลงเจ้าชู้นี้เลิกไปเลยนให้รู้จักที่จะไว้วางใจกันส่วนภรรยานี้ยก็ต้องจัดแจงการงานอย่างดีนห้รู้จักสงเคราะห์คนข้างเีงยงเย้วแต่สา ม, มีอย่างเดียวครอบครัวเข้าเราก็ต้องดูแลไม่ใช่ดูแต่ปัวอย่างเดียวแต่แม่ผัวพ่อผัวญาติของผัวเพื่อนของผัวเราก็ต้องสงเคราะห์เข้าอย่างดีแ้่สงเคราะห์ด้วยสังขารวัตถุสี่นั่นแหละ แล้วจะไปเที่ยวกิน<ๆ>เที่ยวเล่นเหมือนเดิมไม่ได้อย่างตื่นเช้า ม, มาก็ต้องมาหาอะไรกินใส่ท้องละ่ะแต่ตอนอยู่เป็นโสดคุณจะตื่นกี่โมงมันก็ไม่มีปัญหาอะไรใช่ไหมแม่ทําให้กินแต่ถ้ามาอยู่กันสองคนแล้วอา้าวภรรยาก็ต้องทําให้สามีกินแต่ไม่งั้นสามีก็ต้องทําให้ภรรยากินเอาจะมอบหน้าที่อะไรกันให้เคตรพลงกันให้ดีแต่ถ้าทําเองไม่เป็นก็ต้องไปหาซื้อมาไปหาซื้อมาขับรถไม่เป็นก็ต้องโทรสั่งมาละ่ะหลังจะคิดว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นมาเอง แต่งานไปแล้วก็จะรู้ได้เองทําได้เองนั่งบือบ้อแล้วคิดว่าสิ่งอื่นมันจะดีได้เองมันไม่ใช่คําสั่งของพระเจ้าทำฝั่งแต่ทุกอย่างอยู่ที่การกระทำํำนะพิจารณาดูให้ดีว่าเราสามารถทําหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ได้ไหมก่อนที่จะตกลงอะไรกันให้เป็นมั่นเป็นเหมาะเนี่ยพิจารณาดูให้ดีซะก่อนและจะต้องรู้จักรักษาจัดแจงการงานให้ดีและมีความขยันกันแข่งในหน้าที่ทั้งปวงถ้าเรารู้จักรักษาสิ่งเหล่านี้นะทำฝังพระเจ้าก็บอกว่าเหมือนกับเทวดา สามีที่เป็นเทวดาอยู่กับภรรยาที่เป็นเทวดานัหคือถ้าสามีก็มีศีลเป็นคนไม่ตรรนีละเลิอกอบายมุขต่างๆปฏิบัติตามกิริยธรรมคือหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ภรรยาก็เป็นอย่างนั้นด้วยโอ้โหนี่เหมือนกับเทวดาอยู่ร่วมกับเทวดาแต่ถ้าตรงกันข้ามสามีก็ไม่มีศีลภรรยาก็ไม่รู้จักปฏิบัติตามกิริยธรรมเป็นคนตรณีด่าว่าคนนั้นคนนี้มีมนทิน สีใจพูดเทศพวกเนี้ยเนี่ยมันเกิดมีการเน่าอยู่ข้างในแต่ถ้าสามีก็เน่าข้างในภรรยาก็เน่าอยู่ข้างในแต่สักวันกลิ่นมันจะต้องออกกลิ่นมันออกมาเนี่ยมันเหม็นนะคําพูดคำจากก็จะอยู่กันไม่ได้ก็จะต้องเลิกลางกันไปแต่ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งละ่ะเพราะนนั้เราก็ทําให้ครอบครัวของเรานะเริ่มจากสามีภรรยานี่แหละให้อยู่กันแบบเทวดาก็อยู่กันมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่เจรจาถ้อยคําที่น่ารักแก่กันและกัน แต่รบอกว่าสามีภรรยาเนี่ยเธอพูดว่าเป็นเหมือนกับเทวดาอยู่กับเทวดานั่นะคือจิตใจที่ไม่ตระณีเป็นคนที่มีศีลเจราิญชา้าถ้อยคำที่น่ารักแก่กันและกันแต่ก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากมีความผาสุททั้งสองฝ่ายไม่มีใจร้ายต่อกันมีความรักใคร่กันประพฤติสิ่งที่เป็นธรรมะอยู่ในโลกนี้แล้วแตนะ่มีศีลและข้อวัตรต่างๆเสมอกันก็จะไม่มีความเพลิดเพลินบันเทิงใจอยู่ต่อกันในเทวโลกต่อไป อันนี้ก็ดีไปนั่นก็ทําให้มันได้ความเป็นอย่างนั้นมีประเด็นหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของภรรยานั่นก็คือว่าบางทีสามีเนี่ยก็ไม่ดีเหมือนกันแต่สามีบางทีได้ฟังข้อมูลต่างๆเหล่ า, า น, นี้แล้วก็มีความคิดในการที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองได้บ้างละ่ะแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้อาจจะยังมีเพื่อนชั่วอยู่หรือว่ามีนิสัยบางอย่างที่ยังละเลิกไม่ได้เอ๊ะจะทําการแก้ไขยอย่างไรดีดังซึ่งพระเจ้าตรงนี้เคยพูดไว้ถึงเรื่องของภรรยา ภรรยาที่เปรียบเสมือนด้วยแม่แต่นะคือหนะ้าที่ของมาดาบิดาเนี่ยคือให้ลูกตั้งอยู่ในความดีแล้วก็ห้ามเสียจากบาปแต่ถ้าตัวของภรรยาเองเป็นผู้ที่รู้จักให้สามีเนี่ยสามารถตั้งอยู่ในความดีได้รู้จักให้สามีเนี่ยเลิกเสียจากบาปได้อันะนี้จะเป็นผู้ที่มีอุปการะมากทีเดียวจะเป็นภรรยาที่ดูแลสามีเนี่ยเหมือนกับแม่นะตามรักษาบุตรรักษาทรัพย์ด้วยรักษา ความดีความงามของเขาด้วยแต่คนที่ทําอย่างนี้ก็ได้บุญนะเป็นปริยาที่จะได้บุญก็ได้เป็นเป็นปรยาที่มีอุปการะมากปริยาอีกสามประเภทในที่ดีที่ควรประพฤตินะเป็นหน้าที่เป็นตัวอย่างที่พุช่ายยกให้ฟังนอกจากปริยาที่เป็นเหมือนแม่แล้วแล้วก็เป็นปริยาที่เป็นเสมือนกับพี่สาวน้องสาวนั่นคือคนที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยเห็นกันก็รักใคร่กันมีความสมัครสมานสามัคคีมีความเคารพในกันและกันแต่เราถ้า สามีแล้วมีจิตใจแบบนี้หนึ่งฝึกให้มีจิตใจแบบนี้ก็คือฝึกลักษณะที่ว่าเป็นพี่น้องกันอย่างที่3มก็คือปรรยาเปรียบด้วยเสมือนเพื่อนหนึ่งถ้าเพื่อนไปไหนจากกันมานานแมมเจอกันแล้วก็มีความชื่นชมยินดีมีข้อปฏิบัติที่คล้ายๆกันคนมันจะคบกันได้เนี่ยมันก็ต้องมีนิในใสัยอะไรต่างๆใกล้เคียงกันหน่งถ้ามีนิสัยใกล้เคียงกันมีศีลมีข้อบัดปฏิบัติคล้ายๆกันก็เรียกวา่าเป็นปรรยาเสมอด้วยเพื่อน แต่สุดท้ายคือปริยาเสมอด้วยนางทาสีคือแม้สามีในชดาตะคอกก็ไม่โกรธแต่ไม่คิดปิโรธไม่โกรธตอบสามีเป็นผู้ที่อดทนได้ในการอดทนตรงนี้ก็เป็นคุณธรรมที่ดีเป็นสิ่งที่ปริยาที่ควรจะกระทำอันนี้คือเพิ่มเติมให้เรื่องของปริยาเจะจำพวกในสีแบบที่ควรจะต้องมีถ้าบอกว่าเกิดสถานการณ์ใดๆขึ้นในช่วิครอบครัวมันจ ะ, จะพลิกผันอย่างไรก็ตามให้เรามีการประพฤติปฏิบัติใน4ลักษณะนั้นที่เรียกว่าเป็นปริยาอย่างได้อย่างหนึ่งละ พยายามที่จะแก้ไขสามีเขาดีขึ้นมาได้เอ้าอันนี้ก็เป็นปริยาเสมอด้วยแม่แต่ถ้าแก้ไขไม่ได้อย่างน้อยก็โอดโทนเอานั่นก็เป็นปริยาเสมอด้วยนางทาสีอย่างน้อยเราก็ยังมีคุณธรรมที่อยู่ในใจของเราตรงนี้แต่ตอนให้อีกฝ่ายหนึ่งแต่เขาจะไม่สามารถทําหน้าที่ต่างๆเหล่านั้นได้แต่ขอให้เราทําต่ขอให้เราทําหน้าที่นืแน่นอนเลยศีลสตารจะครัปัญญาต้องมีถ้าฝ่ายวริญาไม่ไม่รู้จัก จัด แ, แจงการงานเป็นคุณขี้เกียจเตล่หนีไม่รู้เรื่องอะไรต่างๆในไม่รู้จักสงเคราะห์คนข้างเคียงฝ่ายสามีก็ต้องยกย่องก็ต้องไม่ดูหมิน่นก็ต้องไม่ประพฤตินองใจก็ต้องมอบความเป็นใหญ่ในหน้าที่ให้ก็ต้องรู้จักการให้เครื่องประดับในด้านคนข้ามถ้าสามีมีแต่พูดแดกดันนขวานผ่าซากเลอกเกินเป็นคนนอกใจด้วยไม่เคยให้เครื่องประดับเลยภรรยาก็ต้องจัดแจงการงานอย่างดีแในสงเคราะห์คนข้างเคียงให้ดี ไม่ประพฤตินอกใจตามวักษาทรัพย์ที่มีอยู่ขยันกันแข็งเราอย่าเอาบาปของเขามาเป็นของเราก่อนแต่งดูให้มันดีๆอย่าให้การมันบังตามองให้เห็นให้ขาดบรรณาธนนิการต่างๆนี่คือสิ่งที่เราจะต้องทําอบอ า, บายามุกอย่าไปลดให้เลิกไปเลยเลิกแล้วเลิกให้มันขาดหนะ้าตาให้ตาให้มันได้เพื่อนดีๆหาคบหน่อยคนดีๆดูที่ศีลสต า, าจาระปัญญาอะไรไม่ดียาเอามาเข้าตัวชีวิตของเราไม่ได้ยาวนานชีวิตของเราสั้นนิดเดียว ชีวของคนคู่จะหาความสุขแบบชายหนุ่มหญิงสาวมันไม่ได้ยาวนาะมันแป๊บเดียวสิ่งที่เกินไปกว่านั้นมันมีอยู่มากสิ่งที่จะรักษาความที่จะเป็นชีวิตคู่ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องของกามเลยกลารไม่มีทางที่จะรักษาชีวิตคู่ได้เพราะมันแป๊บเดียวแต่คุณมีลูกคนที่1คนที่2นี่มันจบแล้วนะโปรโมชั่นจบแล้วแต่มันที่เหลือมเป็นของจริงเราจะรักษาได้ไงก็ทําตามนี้แหละอีกประการหนึ่งที่ผมหวังสําหรับภรรยานเนี่ยก็มีเรื่องราวในธรรมบท ที่นางวิสาขาได้เคยพูดเอาไว้แต่ ว, ว่าเวลาที่ไปสู่สกุลของสามีเนี่ยเขาสอนเอาไว้ว่าไฟในอย่านำออกไฟนอกอย่านำเข้าเนพึงให้แก่คนที่ให้พึงอย่าให้แก่คนที่ไม่ให้พึงให้แก่คนที่ให้และไม่ให้เนพึงนั่งให้เป็นสุขพึงนอนให้เป็นสุขพึงกินให้เป็นสุขพึงบูชาไฟและพึงบูชาเทวดาสิบอย่างนี้หมายความว่าอย่างไร อันนี้เป็นคำสอนที่มาในนิทานธรรมบทนะเขบอกว่าไฟในอย่านําออกเนี่ยคือเรื่องราวที่เป็นเรื่องไม่ดีไม่งามในครอบครัวอย่าไปเล่าให้คนนอกฟังแต่คือไฟข้างในอย่านําออกไปแฉไปโพรจนาร์ข้างนอกไม่ดีข้อที่2ไฟนอกอย่านําเข้าแต่คือเรื่องราวติฉินนินทาคนว่าร้ายจากบุคคลภายนอกแต่อย่าให้เราเอามาพูดมาในครอบครัวเราอย่าทําอย่างนั้นเพราะเราจะเป็นเหตุให้แตกกันเถียงกัน ไฟนอกก็อย่านำเข้าแล้วนะข้อที่สบึงให้แก่คนที่ควรให้แล้วนะก็หมายความว่าถ้ามีคนมาหยิบยืมข้าวของเงินทองอะไรต่างๆเราก็ควรจะให้กับคนที่เขาจะเอามาคืนแต่นะส่วนข้อที่สที่มาคู่กันก็คืออย่าให้แก่คนที่ไม่ให้คือหมายความว่าถ้าเขามาหยิบยืมแล้วเขาไม่เคยคืนเลยนะเข้าวต่อไปก็ไม่ควรให้เพราะฉะนั้นควรให้กับคนที่ให้ก็คือหมายความว่าให้คืนเราไม่ควรให้กับคนที่ไม่ให้ก็คือ ไม่ควรให้กับคนที่เขาไม่คืนเราในกข้าวขออะไรต่างๆในบ้านจะหยิบใช้ยืมให้ใครก็ต้องดูว่าเขาให้หรือเขาไม่ให้แต่เขาจะให้คืนหรือเขาจะไม่ให้คืนนั่นเองข้อที่5คือพึงให้กับคนที่ทั้งจะให้หรือไม่ให้ก็ตามแล้วก็หมายคุณว่าคนที่เป็นญาตินั่นเองนะเราต้องสงเคราะห์ญาติพระเจ้าได้พูดดันหนึ่งเขาเรียกว่าญาติตาปลีคือทรัพย์สินบางอย่างเราให้ญาติเขาจะคืนไม่คืนก็ไม่เป็นไรนี่คือข้อที่5ให้กับคนที่จะให้ไม่ให้ก็ตาม เรื่องเป็นการสงเคราะห์ญาติเดี๋ยเมื่อเห็นว่าสมควรให้ก็ให้แต่ก็ได้เขาจะเกิดไม่เกิด ไ, ไม่เป็นไรส่วนข้อที่6กเดพึงนั่งให้เป็นสุขนั้นก็หมายความว่านั่งในที่ที่มันสมควรไม่เกะ ก, กะขวางทางเดคือบางทีพ่อผัวแม่ผั ว, ผวเดินผ่านก็อย่าให้นั่งเกะ ก, กะต้องคอยลุกหนีการงานเสร็จเรียบร้อยอะไรแล้วก็จัดแจงให้มันดีอย่านั่งให้มันเกะ ก, กะอันนี่หมายถึงว่านั่งให้เป็นสุขนอนให้เป็นสุข n หมายความว่าไง แล้วก็หมายความว่าควรนอนที่หลังเขาแต่คนอื่นสามีพ่อสามีแม่สามีนะเข้านอนเรียบร้อยแล้วเราตรวจตราดูสิ่งของคลอนประตูนหน้าต่างฟืนไฟให้เรียบร้อยจึงค่อยนอนอันนี้เรียกว่านอนให้เป็นสุขข้อที่แปคือกินให้เป็นสุขแล้วก็หมายความว่าข้าวปลาอาหารอะไรต่างๆเนี่ยจัดให้มันเรียบร้อยก่อนนะให้สามีให้พ่อแม่สามีให้ลูกนะให้คนในบ้านอะไรต่างๆกินให้เรียบร้อยก่อนแล้วนะเราถึงค่อยกิน อันนี้เรียกว่ากินให้เป็นสุขข้อที่9คือบูชาไฟนะหมายก็ว่าให้มีความครบยำเกรงทั้งสามีทั้งบิดามารดาของสามี่นะตั้งเค้าไว้ในฐานะที่ควรบูชาอย่างนี้ก็เรียกว่าบูชาไฟนะแล้วก็ข้อที่10ก็คือพึงบูชาเทวดากนะ็หมายถึงว่าให้นับถือบิดามารดาของสามนะีเหมือนเทวดาเราคอยบูชาอย่างนี้นภะรรยาที่แต่งไปนะให้ มีข้อปฏิบัติ10อย่างอย่างนี้อันนี้จะเป็นสุขได้ในประการหนึ่งท่านฟังแต่ในฐานะที่ของภรรยาสามีนี่ก็ยังไม่จบนะมันเรื่องมันเยอะอย่างนี้แหละถ้าจะแต่งงานกันไปก็ต้องพิจารณาดูถ้าบอกว่ามีลูกเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าหน้าที่ของมารดาบิดาที่มีต่อลูกเนี่ยคุณจะทาได้ไหมแล้วคุณจะสอนก็ได้ไหมแต่ถ้าไม่มีลูกก็ไม่เป็นไร น, นะแต่ถ้าจะมีลูกเนี่ยสามารถห้ามเขาเสียจากบาปได้ไหมสามารถจะสอนให้เขาตั้งอยู่ในความดีได้ไหม ให้ศึกษาศิลปะวิทยาให้มีคู้ครองที่สมควรให้มอบบัรดกให้ตามเวลาถ้าเบื่อเราจะต้องมีลูกเนี่ยคุณต้องสอนลูกนะจะมาปัดความรับผิดชอบให้โรงเรียนปัดความรับผิดชอบให้ครูให้ไปเรียนพิเศษแล้วคิดว่ามันจะดีเองขึ้นมาได้อย่ามีเลยแต่เงินถ้าจะมีลูกก็ต้องทำหน้าที่นี้ให้ได้น่าต้องสอนเขาให้ตั้งอยู่ในความดีได้ต้องสอนเขาให้ห้ามเสียจากบาปได้เราต้องตระหนักในหน้าที่ของเราตรงนี้นต่ทั้งหมดนี้เลยนหน้าที่ของภรรยาด้วย หน้าที่ของสา ม, มีด้วยในปรรยาทั้ง7จ็ดำพวกด้วยอยู่กันแบบไหนอยู่กันแบบเทวดาได้ไหมข้อปฏิบัติสิบอย่างของปรรยาที่แต่งงานออกไปทําได้หรือไม่แต่ถ้าทําไม่ได้แล้วเกิดแต่งงานไปยมาบ่นภายหลังว่าชีวิตคู่ไม่ประสบความสําเร็จชีวิตคู่ขมขื่นก็เพราะว่าไม่ได้ทำหน้าที่เหล่านี้การแต่งงานนั้นจะเป็นภยัยแต่จะเป็นความทุกข์ความเดือดร้อนความสาหัสตลอดจนชีวิตนั่นแหละจนกระทั่งเลิกกันเลิกกันก็ยังเป็นแผลใ น, ในใจอยู่แต่ถ้าพิจารณาแล้ว กิดว่าตัวฉันตัวผมสามารถทําหน้าที่เหล่านี้ได้เราก็แต่งได้แ ต, แต่งได้ความเปลี่ยนแปลงมันอาจจะมีเพราะว่าสิ่งต่างๆมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราทําหน้าที่เหล่านี้แล้วเราสบายใจได้เลยว่าหน้าที่ที่ควรทําเราได้ทําแล้วหน้าที่เราได้รักษาแล้วไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ของภรรยาหน้าที่ของสามีหน้าที่ของบารดาบิดาถ้าจะมีลูกเรื่องของไฟในไฟนอก เราก็รักษาให้ดีไม่ให้เอาเข้าไม่ให้เอาออกทำหน้าที่ ต, ต, ต, ต่างๆเหล่านี้ดีแล้วครอบครัวนี้จะรุ่งเรืองครอบครัวนี้จะมีความสุขครอบครัวนี้จะไม่เป็นไปต่ตตอกันจะเป็นความปลอดภัยเป็นความเกษมสามารถําให้ครอบครัวสังคมประเทศชาตินีรุ่งเรืองขึ้นมาได้เราก็อยู่เป็นสุขครอบครัวก็อยู่เป็นสุขประเทศชาติก็อยู่เป็นสุขเราเองได้ความสุขในปัจจุบันและความสุขในพบต่อๆไปก็ได้ด้วย เพราะว่าการปฏิบัติอย่างนี้เป็นสุขทั้งในปัจจุบันนันคือในที่ตามและความสุขในเวลาต่อมาต่อมาต่อมาทั้งในเบื้องปลายชีวิตต่อมาทั้งในภพหน้าชาติหน้านะถ้ามันจะมีะนี่คือลักษณะของความสุขทั้ง ส, งสองโลกจำฝังนะเราทําให้ได้อย่างนี้ส า, ม, ามีภรรยาครอบครัวจะอยู่กันอย่างเป็นสุขแตนะ่พิจารณาดูดีๆนะจำฟังตรงนี้เป็นภาระที่เยอะพอสมควรในเป็นความท้าทายเป็นสิ่งที่ถ้าเราทําได้มีให้เกิดขึ้นแล้ว แม่มรรคของเราในเส้นทางของเราธรรมะของเราล้วก็จะเจริญขึ้นได้เหมือนกันขพถจาพระมหาภัยบุย์อภิปุโนจากวัดป่า ด, ดอนหายโศกเจริญพร